สองสามสี่วันนี้มีห้าคนทีมงานอีกสางเป็นแปดผู้แสดงเอกคนเป็นเก้าวันนี้เลขเก้างานาดีั้ย เนี้ยดีนเข้ามาท่าไหร่นะแสามสกว่าลอ๋อมีเริ่มสิสอนะครับีสิอรอเป็นยังไงมีอะไรหรือเปล่าไม่มี ี่ยบพัทยาบ้านบ้านเดิมผมอยู่ที่ทเชรบุรีเพอดีผมเรียนาด้า น, นกน า, า, ากออรวาดภาพนะเลยยายมาอยู่ที่พัทยาวา่อพาพให้ชาวต่างชาตินี่เหระใช่เดี๋ยวเาป็นร้านแคทลัว ร, ร้านผักไดออ้ักได้ได้วยน อ, อจากคุณแก้ว ได้แต่ชื่อพี่แก้วแล้วก็วากมาเจอพี่แก้วที่นี่แล้วว่ากบหัวทองคือคนคนเดียวกันพี่แก้วชื่อชื่อเอด้วนโดยล่าอยู่ี้ไหนดอยู่ในวอลกิ้งสเต็ปแล้วก็าภาภาาทางที่เขาเขาตำหนักกับมีสองที้เนี่ก ย, ย ก, ก, กย ไ, ไ, มไม่ไมกลจากพี่แก้วพี่แก้วเขาอยู่ไม่ามกลพระมันอ่พี่แก้วอยู่ในซอยอถนนขึ้นทางำหนักเหมือนกัน แกอยู่างเข้าวอล์กอินสตรีทอันนี้ไม่ค่อยมีคนเท่าไหรนะ่ใ่ม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีลูกค้าเท่าไหรนนะ่ก็ไม่ไม่มีมาหลายปีแล้วครับน้อยน้อยมาหลายปีครับอ่าแต่ก็ยังพอมีบ้างพอมีอ่าพ อ, อยื้งตัวได้ครับ อ, อ่าไม่ร่ำไม่รวย ทำแต่แททูอย่างเดียวเลยว่าภาพด้วยวาดภาพด้วยแททูด้วยครับแต่ว่ามีมีน้องที่ร้านเขาทำครับตอนนี้พอดีพอดีน้อง้วยผมว่าเลยมีเวลามาดูครับภาพนี้เป็นภาพอะไรภาพภาพวิวแล้วภาพคนภาพได้ทุกอย่างครับวิวด้วยคนด้วยครับแล้วแต่ว่าเป็นไม่ได้เน้นมึงพวกเกียวอาร์เน้นมึงพวกใจมึงเพื่อการันอย่างเ เป็นภาพสีน้ำมันแล้วก็เป็นภาพสีน้ำมันสีน้ำมันเยอะครับส่วนมากถ้าสีน้ำคนยังไม่ค่อยรู้จักครับคนมากมีอหยถ้าสีน้ําก็ต้องเขียนเล่ น, เ, นเองเนี่ยครับอืมหลงชายก็ชอบซื้อภาพซื้อภาพภาพภาพวิเยใช่ครับอืมบางทีเขาซื้อไปค้าขายครับไปรถนิยมเก่าครับตอนนี้เหมือนการตกแต่งบ้านก็มันเปลี่ยนแปลง ว่าคุณเปลี่ยนลูกค้าเขาว่าเยอะขึ้นหรือว่าหายอะไรนะครับค่ะใช่เลศนิยมก็เปลี่ยนแล้วแล้วเปานไงมาฟังทุกวันอ๋อคือคือคือตอแรกนี่ผมผมเรียนเสือขาทีนี้ คือผมก็จะต้องเรียนเรื่องความรู้สึกภายในเพื่อ <c oughs> เพื่อการแสดงออกค <ừ. S 1> ือว่าเรียนเพื่อเพื่อเสพสื่อทั้งโลกเต็มกำลังหรือว่าสุดปริศศาสตร์มันมันเสพเข้าไปยันจิตใจครับ <ừ. S 1> ทีนี้ผมก็เลยตามหาความจริงก็เริ่มไปตามจากอาริต โ, โตเตลเพโต้ไปทั้งยุโรปก่อนครับ <ừ. S 2> ต, ต, อตอนหลังก็ มันไม่รู้ว่ามีของดีตัวแล้วตอนหลังได้มา พ, พูดกับเช้าแล้วว่ามันก็เลยส่วนควาวิธีความคิดของผมว่ามันเป็นความคิดที่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกันที่ผมตามหามันอร่อยนะครับผมเลยคิด mm hmm. ว่าไหนๆถ้าจะอยากจะรู้จักพระธเจ้าแล้วเราก็ควรที่จะศึกษาให้ถึงแก่น ว, วิธีคิดของท่านแล้วก็วิธีการปลดปล่อ ย, ย mm hmm. มนุษย์ให้แยกจากสัญชาตญาณดีกว่าอ mm ืม hmm. แล้วมีวาดภาพเกี่ยวกับพ่อสตูปด้วยมั้งวะงานาผมไม่ค่อยได้เกียนครับเพราะว่า mm. ตอนตอนหลังบางบางทีผมดูแล้วพลางเอาไปตกแต่งด้วยเขาไม่ได้เขามไม่ได้คิดมาเรา mm. ออก็เลยคุ้มเสี่ยงว่าบบ mm. เราคิดดีแต่เขาคิดอีกแบบนึงทีนี้ว่า mm. คนหมูมากก็บางทีเขาคิดว่าผมมอง <c oughs> ยังผมมองไป็นศิละปะแต่ว่าบางท่านเขาอาจจะมองเป็นว่าเอ๊ะเราไปขาย สัญลักทางจิตวิญญาณให้ให้คนไม่รู้ทางเนี่ยครับก็เลยเกิดปัญหาผมก็เลยเลี่ยงโดยการที่ว่าไม่ไม่ทำเกี่ยวกับแบบนี้แต่ดันเบ็นี้ถูกมทางชาติก็ไม่ได้เห็นพราพุทธรูปเป็นสิ่งสักิสเขาเห็นเป็นศินลปกรรมเอาไปประดับบ้านภาพวาดเน้ เอเสียนพระอะไรพวกนี้ตอหลังผมดูแล้วตอนตอนแรกความเข้าใจทางนี้ผมน้อยครับแต่ตอนหลังผมไปดูที่ความศรัทธาหรือความอะไรคือว่าคนละวิธีคิดอะไรเงี้ยครับผมเคิดว่าเออเขาไม่ก็มไม่ได้เหมาะสมที่ว่าจะได้ได้สัญลักษณ์ของเราไปโดยที่เขาใจของไม่ได้น้อมมาแม้แต่เิดเขาได้ไปเพราะมันไม่ท้องแปลกบ้านเขาไม่มีแล้วก็ไป เอาไปโชวให้คนอื่นที่ไม่มีเห็นให้เขาอิจฉาหน่อยว่าฉันมีของที่เธอไม่มีแล้วเป็นไงได้มาติดต่อกันกี่วันแล้วเนี่ยไ ม, ไม่ได้ับคือคือตอนตอนแรกเริ่มเดิมทีเวลาผมมาเริ่มรม้องนั่งมาปฏิบัติอย่างเงี้ยนะ ท, ทีนี้เมื่อสองปีที่แล้วนี่ผมมีควางทุกหนักคือว่า ต, ตอนตอนเรียนจบอย่างนี้ผมยังไม่มีวิธีคิดคือว่าที่บ้านผมก็ค่อนข้างลำบากแบบว่าเป็นคนฐานหน้า่ า, กานกลางเงี้ยครับทีนี้ผมก็อยากจะมีบ้านมีธุรกิจมีอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบบ้าเลือดทำเมื่อที่สามปีที่แล้วทีนี้ว่าเราไม่มี <c oughs> เราไม่มีสายปานคือว่าไม่ไม่ได้มีทื้นฐายครับก็เลย บ้าเลือนมาซื้อที่พัทยาทีนี้ว่าเราไม่ได้เป็นคนมีพืมผ่านฐานะโดยตรงที่ว่ามาทักผ่อนแล้ได้ตลอดเนี่ยเมื่อสองปีแล้วก็เกิดเหตุการณ์รู้ว่าผมโดนท้องลงมละลายทีนี้ผมก็เหมือนมีความทุกข์หนักผมคิดว่าเราเราทูกไปแล้วมันก็มันไม่ได้เกิดประโยชน์กับวิธีคิดในการทํา ง, งานเราเนี่ยผมก็เลยหาทางออกหรือว่าเออถ้าทุกข์หนักมันจะมันจะต้องแก้ตรงไหนแก้หน้า ง, งานแก้กี่ปีมันก็ไม่จบเนี่ผมเลยคิดว่า มันต้องมีวิธีแก้อย่างไรอย่างหนึ่งผมก็ลองลองมานั่งทำมาที่เล่นๆด้วยันวันนั้นผมก็กลับมานั่งจริงแล้วด้วยความทุกข์หนักมันก็ทําให้ผมรู้ว่าในในจิตเรามันมีโรงงานวิธีคิดบางอย่างอยูอย่คือว่าเราแค่คลิกวิธีคิดคือว่าทุกอย่างมันก็มันก็หายไปคือว่าความยากในชีวิตมันก็น้อยลงไปงทันทีครับผมก็เลยต้องมาตากเรียนเนี่ยคือการ ท, ทุกข์ ที่หนักมันอยู่ในใจเราความทุกข์ที่ภายนอกมันมันไม่หนักถ้าเราไม่ไปไปแบกมันมันไม่ทุกข์ที่เราไปทุกข์กับสิ่งภายนอกเพราะเราไปแบกไปยึดมันไปอยากกับมันพอไม่ได้ลงใจอยากมันก็เลยทุกข์พอเรามานั่งสมาธิเราหยุดความอยากชัว่วคาวความทุกข์ใจเราก็ หายไปชั่วคราวพอเราออกจากสมาธิมาพอเราไปแบกไปยึดกับเรื่องเก่ามันก็ทำให้เราทุกข์ถ้าเราปล่อยมันไปได้มันก็ไม่ทุกข์คือมันจะล่มละลายได้มันล่มละลายไปแต่ตอนนี้ก็ ย, ยังวิวิธีการทางทางการทำ ง, งานผมกผมก็คือ ตอนนี้ก็ปรับมาที่ขายทุกอย่างก็ลาบเรียบปกติคราวนี้ผมก็หาวิธีทางลงมาผมนะเพราะว่า hmm. เกิดผมไปบ้านเลือดทําต่อไปอะไรไปครนนี้ผมมีงานเปนอาคารที่เพชรบุรีด้วยอ hmm. แล้วก็ปาโตปัญหาเหมืกัน hmm. เรื่องการเงินมันคันยิ่งหนักต้าเติมไปนงี้ครับก็เลยเกิค hmm. วามเครียดหนักเพราะว่าเมเราให้ไปเราไปให้สัตจา่าขายไวย้คือว่าความทุกข์จากการให้สัจว์จ่าเนยมันเหมือนว่ามัน มันออก จ, จากใจ ย, ยากนะครับผมก็เย๋เยวต้องหาวิธีออกทางวิธีคิดทางทางพระพุทธเจ้าเนะี่ยถึงเราคือปล่อยทุกอย่างทิ้งทุกอย่างแล้วมาอยู่แบบพระอยู่เลียงร่างกายเราเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอแนละ้วไม่ต้องรวยไม่ต้องเที่ยวไม่ต้องอะไรหรอกเอาเวลา หาความสุขจากการมาปฏิบัตินีกว่ามานั่งสมาธิดีกว่าแล้วจะได้ความสุขดีกว่าความสุขที่ได้จากรวมความร่ํารวยความสุขที่ได้จากการทําอะไรต่งางๆตอนนี้ก็เหลือเคียวธุระให้คนที่ว่าเราไปต่างธุระเอาไว้ให้เขาเคี่ยวเรียบร้อยให้ให้เป็นสูนนะครับตอนนี้เคี่ยวได้ก็ดีเคี่ยวไม่ได้ก็ก็ช่วยไม่ได้ ถ, าถา้าไม่ได้ยินนี้คือโมปฏิบัติมาสักระยะหนึ่งแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยมีสิตจะนั่งสมาธิดที่ธีการที่ไม่ถูกต้องอเพราะว่าซือนังสือมาอา่านเองแต่ก็นั่งก็เ อ, อไดสมาธิที่ลึกจนมีปัญหาหิรัญเนึ่ย ตอนนั้นนะฮะคือเหมือนจับว่าเร า, <S <S เ, ราเราไม่มีตัวปฏิจนไป ก, ดกุดสาหัสท่านบอกว่ามันเหมือนกับว่าสติไม่เกาะกายนะฮะตอนนั้นะฮะเพราะด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ดูลมไม่ได้อะไรพอเ ร, เรหน้างขึมาที่ถึงลึกๆแล้เราตามอื่ไหมไม่ได้ปล่อยเราตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราต้องอยู่ที่ลมหายใจด้วยความที่ว่ามันเหมือนกับเราไม่มีตัอาอาจารย์เราสุดสาจะกกำลังเลที่ความที่อยากนั่งใช่ไหมฮะ พอรักษาอาการเป็หายป็นมาช่วงหลังเนี่ยก็รู้จักวิธีที่ถูกต้องในการนั่งแต่ม่เหมันจะคล้าย ๆ, <c oughs> ๆแต่ว่าเวลานั่งอาการเก่าๆเนี่ยมันจะมีจิดการมันจะ บ, บางครั้งทุกวันเวลาเนี่ยคือนั่งสมาธินั่งไนานนะนั่งน่าสะงงมากแต่บางทีนั่งปุ๊บบางทีงทเวลาจะออกมันเหมือนจะพอเราออกมาแล้วเนี่ยไม่มีกับรออกไม่ถึงวิธีหรืออะไม่ทราบอาการมันจะขึ้อยู่ช่วงคือบางทีมันจะเหมือนแต่ว่าเราจะ เบาชาไปทั้งตัวอยู่ช่วงห ล, ลังจากเราออกจากสมาธิแล้วนี้เวลาเรานัา่งมันจะเฉยเยเกิดขอควางที่นั่งจากมากันก็ไม่เป็นไม่เป็นปัญหาอะไรไม่เป็นไรแลเหมืนอมนบางครั้งเนี่ยผู้ป ก, กตินะ่ะทุกวันนี้จะนั่งสมาธิเช้ากลางวันเย็นทุกเวลาที่ว่างแล้วบางทีบางวันเนี่ยเราไม่ได้นั่งเหมือนเหมือนกับว่าที่ที่เราเคยนั่งเนี่ยเราไม่ได้นั่งเหมือนเหมือนกับเตือนเราอาการมันจะเตือนเราว่าเนี่ยถ้าเรานั่งกูเถอะเราจะมีอาการที่มี้เกิดขึ้นแต่ตัวอย่างเช่นว่า ตัวเราจะเบาเลยมือเราจะาท่าต้านบางทีเป็นที่เท้าที่มือเป็นที่นี้พวกนี้ไม่ได้ผิดปกติไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นอาการมันอ่ามันเป็นผลข้างเคียง อ, อมถ้ามันไม่ได้ทำให้ร่างกายเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรงนี้เนี่ยเกิดเวลาเราเราเรานั่งน่างนั่งเรารู้สึกว่งางนานเราจะออกจากสมาี่เดยที่เรารู้สึกว่าเราจะนั่งจะลึกมากก็ยังว่าเรารึอยาเพิ่งออกอยาเพิ่งออก ถ้ามันยังไม่อยากเจาะก็ไม่ต้องออกนังฟัมันมันลึกตลอดเวลาะถ้าเราฝืนความรู้สึกนั้นมันเป็นความรู้สึกของกิเลสเพราะฉเราจําเป็นจะต้องออกนะฮะเราจะทํายังไงเพื่อที่จะคลายไม่ให้หน่งแต่ว่าก็อาจารย์เคยบอกว่าอยากออกโดยไม่จําเป็นเพราะว่าขั้ง่อไปเราจะเข้ายากเราจะทำยังไงนะถ้าเกิดตรงที่าจำเป็นจะต้องออกเดียวนั้นออก็ได้ก็เริ่มคิดเนี่ยเริ่มคิดเริ่มคิดว่าตอนนี้ถึงเวลาที่อ่าถึงเวลาอ่าจะออกแล้ว มิทุล่าต้องไปทำก็คุยแล้วก็ค่อยๆอาการ<อ>ต่างๆที่เป็นนี่ไม่ได้ผิดปกติมไม่ผิดปกติให้เป็นไรมันเป็นส่วนหนึ่งของจิตเวลามันมันจะส ง, งบมันก็มีอาการแตกต่ถ้าเราไม่ทุกข์กับมันก็ไม่เป็นไรทุกข์ไหมล่ะไม่ได้ทุกข์ค่ ะ, ะมันจะมีความรู้สึกว่าเราผิดปกติหรือเปล่าเพราะตอนนี้เราไม่ได้นั่งสมาธิแต่เราเป็นตอนเรานั่งอ๋อเพราะว่าบางที นั่งบ่อยๆมันจะเป็นมันจะเป็นเดยที่ไม่ต้องนั่งะต่อไปมันไม่ต้องนั่งเราเราปกติหรือเปล่าเพราะเด็กไม่นั่งสมาธือาแต่ทำในอาการเหมือนอนนั่งสมาธิเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้มันทํามันก็จะสงบเนี่ยแต่ถ้ามีคนมาพูดมาคุยมันก็จะไม่สงบเหมือนพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเด็กท่านก็นั่งอยู่เฉยคนเดียวใต้โคนต้นไม้วันนั่นพวก ข้าราบริพารก็ไปทำจิตยอย่างอื่นธรรมดาท่านจะมีคนเฝ้าคนคอยดูแลแต่พอดีช่วงนั้นเขาไม่ว่างกันไปทำงานอะไรกันวใว้ท่านนั่งอยู่คนเดียวใต้ต้นไม้จ็ตของท่านก็เริ่มเข้าสู่อาการสงบโดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธิเพื่อจิตมันเคยสงบแล้วพอไม่มีอะไรภายนอกหนึ่งมันไว้มันก็จะเข้าข้างใน okay, อ นั่นก็ดีแล้วแหละไม่เป็นไรดีดีพยายามนั่งบ่อยๆเพีงแต่เพียง แ, แต่ว่าเวลาออกมาควรหัดพิจารณาทางปัญญาพิจารณาความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ลาบยกสรรเสริญเงินทองอสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่มันไม่แน่นอนอมีการเจริญมีการเสื่อมได้ มีการมามีการไปมีการขึ้นมีการลงมีเกิดมีดับทำนองนี้สอนให้เราเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่าง้นฟ้าอากาศนี่ก็ไม่เที่ยงมันเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวมันก็หยุดเราจะไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งต่างๆให้มันเป็นเหมือนเดิมมันมันจะเป็นไปไม่ได้ไวเวลามันเปลี่ยนไปเราจะเสียใจเราจะทุกข์ใจ แต่ถ้าเราเหมือนเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงร่างกายเราก็เหมือนกันร่างกายของคนอื่นก็เหมือนกันมีแก่มีเจ็บมีตายแก่นี้มันก็ไปของมันเรื่อยๆตามเวลาแต่เจ็บมันไม่แน่ตายไม่แน่เจ็บเมื่อไหร่ก็ได้ตายเมื่อไหร่ก็ได้เรองคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆบ่อยๆแล้วใจเราจะมีอ่ ความกล้ า, าหาญจะไม่ค่อยกลัวอะไรไม่ค่อยวิตตกกังวลกับอะไรตังๆเพรรู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนฝนฟ้าอากาศเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกอชีวิตเราก็เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวก็ได้รับคำยกยอรสรรเสริญเดี๋ยวก็โดนเขาดา่าโดนเขาว่าโดนเขาตาหนิ ลายได้ก็อาจจะขึ้นเดี๋ยวบาทงทีก็อาจจะลงเราก็อย่าไปพึ่งสิ่งเหล่านี้เราหาความสุขจากการทําใจให้สงบก็ก็ได้ดีกว่าด้วยถ้าเราทําสมาธิเป็นเราก็ไม่ต้องไปพึ่งเงินทองไม่ต้องพึ่งสรรเสริญเยินยอไม่ต้องไปพึ่งตําแหน่งอะไรต่างๆถ้าเราไม่ไปพึ่งสิ่งเหล่า น, านี้แล้วมันก็ เราจะไม่เดือดร้อนกับมันเวลามันขึ้นมันลงมันเกิดมันดับเราก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยรเราไม่ได้ไม่เสียกับมันเราไม่ต้องใช้มันม า, มาเป็นที่พึ่งให้ความสุขกับเราเราใช้ความสงบถ้าเรานั่งสมาธิเป็นแล้วเราก็สบายแทนที่จะดูทีวีเราก็ไปนั่งสมาธิแทนแทนที่จะดื่มกาแฟเราก็นั่งสมาธิแทน อะไรทำนองนี้เพราะว่าถ้าไปพึ่งมนันนะมันก็มันจะติดมันยาเสพติดเเวลาไม่มีเสพมันก็จะทุกข์นี่คือปัญญาพยายามสอนใจให้ปล่อยถ้ายังติดอะไรอยู่ก็ให้ปล่อยถ้าถ้ายังถ้ายังไม่ติดก็อย่าไปติดอย่ไปอยากได้สิ่งนั้นสิน่งนี้อย่าไปอยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ให้อยู่กับความว่างดีกว่าอยู่กับความไม่มีอะไรอยู่กับสมาธินี่นี่คือปัญญาต้องสลับกรรมกับการนั่งสมาธิแล้วก็ถ้านั่งสมาธิแล้วเจ็บก็ลองใช้ปัญญาสู้กับมันสานใจว่าความเจ็บมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายใจเป็นผู้รู้ความเจ็บ ใจไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายไม่ต้องไปกลัวความเจ็บไม่ต้องไปอยากให้ความเจ็บมันหายไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปอัดปล่อยวางความเจ็บอย่าไปหนีมันอย่าไปขยับขยี้ให้มันหายพอวันหนึ่งเวลาเจ็บใข้ได้ป่วยมันจะทำให้มันหายไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่กับมันได้เราจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราพยายามจะ กำจัดมันพยายามหนีมันแต่ทําไม่ได้เราก็จะทุกข์มากมนี่ก็เถอวิธีปล่อยความเจ็บใข้ได้ป่วยถ้าเราอยู่กับความเจ็บได้ต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับเวลาเราเจ็บใข้ได้ป่วยท่ามตายก็เหมือนกันก็ต้องคิดอยู่เรื่อยว่าร่างกายนี้มันเดี๋ยวก็ต้องตายมันก็ไม่ใช่ตัวเราเหมือนกัน เราเป็นตัวรู้ร่างกายเป็นดินน้ำลมไจเดี๋ยวก็ต้องแยกทางกันร่างกายไปทางตัวรู้คือเราไปทางก็ต้องปล่อยมันให้ได้ยอมตายีิธีปล่อยก็คือยอมให้มันตายอย่าไปอยากให้มันอยู่เราอยากยังไงมันก็ไม่อยู่ถ้ามันจะตายอยากไปก็ทุกไปว่าป่าพอเรา ยอมตายได้ปล่อยให้น่างกายตายได้เวลาน่างกายจะเป็นอะไรเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอันนี้ก็บางทีก็ต้องไปหาที่พิสูจน์ถ้ายังกลัวอยู่ก็แสดงว่ายังกลัวตายอยู่กลัวที่ไหนก็ต้องลองไปที่นั่นดูไปอยู่ที่นั่นดูกลัวผีก็ไปอยู่ป่าช้าดูไปเยี่ยมป่าช้าดู ตัวสิงสาราสัตว์ตัวอะไรก็ลองไปอยู่ที่หน้ากลัวดูเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่างมากก็แค่ตายยังไงก็ต้องตายยอมตายแค่นล้วมันก็จะหายกลัวนี่คือปัญญาพิจารณาว่าร่างกายไม่เที่ยงต้องตายต้องเจ็บไม่ใช่ตัวเราของเรา มันจะต้องแยกกับเราไปวันใดวันหนึ่งแยกทางกันนางกายก็ไปสู่ดินน้ำลมไฟใจก็ไปสู่นิพพานถ้าไม่ถ้าไม่มีกิเลสถ้ายังมีกิเลสก็ไปสู่ร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เกิดใหม่ก็มันต้องมาทุกข์ใหม่กับร่างกายอันใหม่ถ้าไม่มีความอยาก ใช no ้ร่างกายมันก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ต้องไม่เสบรูปเสียงกลิ่นรสเพราะการเสบรูปเสียงกลิ่นรสนี้ต้องมีร่างกายต้องมีตาหูจมูกรินกายพอเลิกเสบได้มันก็ไม่ต้องมีร่างกายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องปล่อยวางให้ได้ปล่อยวางการเสบรูปเสียงกลิ่นรส ถ้าเราไม่เสพรูปเสียงกดลดิ่นรดเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายแก่เจ็บตายก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรายังเสพรูปเสียงกดลิ่นรดอยู่เราก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงแก่ก็เสพไม่ไหวเจ็บไข้ได้ป่วยก็เสพไม่ไหวตายก็ไม่ได้เสพตายก็จะกลับมามีร่างกายใหม่ถ้าไม่อยากจะมีร่างกายใหม่ก็ต้องไม่เสพไม่ต้องใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขเอาสมาธิเป็นเครื่องมือหาความสุขดีกว่านั่งสมาธิทําใจให้สงบแทนที่จะไปดูหนังดูละครแทนที่จะไปดื่มไปกินอะไรไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็นั่งสมาธิทําใจให้สงบใจสงบมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องไปไหนไม่ต้องมีอะไร ีเเรื่องที่เราต้องทำสลับกับสมาธิสมาธินี่มีไว้สาหรับให้เรามีความสุขเพื่อที่เราจะได้ปล่อยสิ่งต่างๆได้แต่การจะปล่อยได้เราต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์กเพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราตั้งวันหนึ่งมันจะต้องจากเราไปแต่ถ้าเราไม่ ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องการมันแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันงั้อย่าไปต้องการเงินทองอย่าไปต้องการความสุขทางต า, งางหูจมูกนิ้วกายอย่าไปต้องการมีตําแหน่งมีหน้ามีตาอย่าไปต้องการการยกย่อ ง, องสรรเสริญเยินยออะไรต่างๆอยู่กับความว่างอยู่กับความไม่มีดีกว่าไม่มีแล้วสบาย ไม่ทุกไม่ต้องมีอะไรแล้วตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขไปครับเพราะสิ่งที่เราหาจากด้วยร่างกายมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวมันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปหรือจากกันไปเวลาจากกันก็ทุกข์กัน แต่ถ้าอยู่กับอยู่คนตัวคนเดียวมันจะไม่ทุกข์เพราะไม่มีอะไรจะทุกข์ด้วยไม่มีอะไรจะเสียร่างกายนี้ก็ไม่มีต่อไปถ้าไม่มีร่างกายนี้แล้วก็ไม่ก็อยู่ตัวคนเดียวจริงๆอย่างพระพุทธเจ้าตอนนี้อยู่ตัวคนเดียวภาษาโวกอยู่ตัวคนเดียวอยู่ตัวจิตตัวเดียวไม่มีร่างกา ย, ยเรายังมีร่างกายเราเรายังยังต้องทิ้งร่างกาย ยังต้องทุกกับร่างกายแต่ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดมันเราทิ้งมันได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเนี่ยคือปัญญาต้องหัดสอนใจจะมาที่ปล่อยวางไม่ได้ต้องใช้ปัญญาปล่อยมันต้องต้องเห็นโทษของสิ่งที่เรายึดติดว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขอย่าไปมีมันดีกว่าอย่าไปพึ่งมันดีกว่า ไม่ต้องพึ่งอะไรอยู่กับความว่างดีกว่าอยู่กับความไม่มีอะไรมาเข้ามาได้นะขยับเข้ามาพพัฒยาฝนตกทั้งวันหรือเปล่าวันนี้ตกทั้งวันน ะ, ะทางบ้านเลนทราบที่ไหนตกบ้างไม่ตกบ้างเลฮะ ลำบางก็ตกอ่ะอืมคงจะมีแต่ภาคใต้ไม่ตกมากเลยช่วงนี้ภาคตะวันออกเขียงเหนือภาคเหนือภาคกลางนี่ภาคตะวันออกทำงานคุณครูอยู่ได้ค่ะจะอยู่กรุงเทพก็เหรอแล้อยังไม่ได้ไปไปแล้วค่ะไปแล้วเหรอเรื่ อ, ลอ ก, กลับมาเยี่ยมเด็กเหรอ สอนเลยเหะเขาหอให้สอนก็สอนค่ะอ๋อแล้วแต่เราไม่เกี่ยวอันหนูไม่สะดวกก็ไม่ต้องสอนค้ามีหนูสอนองจับเมืองอ๋อาไปยุงเทลมาสอนทา่วัไหนจะต้องสลับเสียละอ๋อเดินทางไปกลับเดินทะสอนภาษาลาเซียเลยใช่ค่ะเขาบอกว่าภาคใต้ไม่กครับอ่าภาคใต้ไม่ตก มีแต่สี่ภาคเนี่ยฮะอ่านี่ก็ตกมาตั้งแต่เช้าเล ย, เยตั้งแต่บินถบาทเช้าก็ตกมาตลอดแต่ไม่ตกตลอดเวลาตกแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็ตกมันหนักตอนช่วงตอนช่วงเนี้ยตอนกลางวันเนี่ยตอนเที่ยงเที่รู้สึกันตกแรงหน่อยตอนเช้าจะย ก, กแล้ววันนี้ เดี๋ยวคนยังไม่คงยังไม่มีใครมาฝนตกกันเชานี้ใบบินตบายก็ต้อง อ, อง้อมมีต้นไม้ลมขวางทางไม่รู้เขาออกหรื อ, อยังมยังอยู่ะหรอ แ, แต่ต้อง อ, อ้อมดอ้อมเนี่ยต้นใหญ่มเขายังไม่ได้ออกเลยขึ้นไดหมดมาได้มาได้ขึ้นเนนได้ขาขามาจากพระนยาตัง เ, นนเนลนซ้ายวิ่งใหญ่เลนขวาล้มลงพีคครับน่าใหญ่มไม่ใช่ไห ม, ไไมถึงทางที่เข้าวัดยา น, นี้ก็ตกก็มีต้น้ม้ล้มอยู่ต้ น, นตอนจะถึงวงเรียนนกาล น, นานาชาตินตอนเช้าไม่มีตบ่าต้องอ้อมไปทางที่นี่เวลาฝนตกบ่อยๆมากๆนี่ต้นไม้จะล้มไม้มันจะล้มหมด ไม่คิดที่บอกว่าภาคใต้ฝนไม่ตกนะฮะต้องมีคนบอกว่าตอนเรี้ตกตกว่าเหรอครภูเป็นว่าภูเก็ตทางงานตกสองวันแล้วค่ะเอขลาไม่ตกบางท่านอาจจะตกไม่มากเหมือนกับภาคภาคอื่นพัทลุงน่าตกครับเออเป็นพายุหรือเปล่ามันนะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าไม่วางไม่ไม่สราบเลย ว่าจะไปประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์นึ่ ง, ง ม, มีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมมีอะไรอยากจะถามไหมลที่เราสมาธิ่ะ เ, เกิดความสำเร็แล้วอ่ะมันพัฒนาอไปอยังไงก็พยายามทำบ่อยๆทำให้มือมากๆต่อไปให้ใช้สมาธิเป็นเครื่องหาเป็นวิธีหาความสุขแทนวิธีอื่น เราจะได้ไประหยัดเงินทองไม่ต้องไปหาเงินให้เหนื่อยยากแล้วเราจะได้ไม่ต้องพึ่งคนนั้นคนนี้ไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราต่อไปเราอยากจะเวลาเราเหงาลรวก็นั่งสมาธิไปเวลาเราอยากจะไปเที่ยวล้วก็นั่งสมาธิไปเวลาอยากจะซื้อของไม่จาเป็นก็นั่งสมาธิไปใช้การนั่งสมาธิแทน แทนที่จะไปทําอย่างอื่นแล้วต่อไปเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินทองไม่ต้องไปทํางานให้เหนื่อยยากทําก็เพียงแต่หาเงินมาเพื่อซื้อของจําเป็นคืออาหารปัจจัยสี่เท่านั้นเองหลัง น, นั้นแล้วเราจะไม่ต้องไม่ต้องซื้อไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปทําอะไรกันเรานั่งสมาธิได้เราก็มีความสุขได้ เน้นถ้านั่งได้แล้วพยายามนั่งบ่อยๆเวลาไม่ต้องทําอะไรก็นั่ง mm. ครันน้งนี้พอได้นั่งสพอได้สมาธิแล้วต่อไปก็หัดใช้ปัญญาสอนใจว่าทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นสุขเนี่ยมันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นสุขชั่วคราว mm. ได้มาแล้วเดี๋ยวมันหมดหมดแล้วก็ต้องหาใหม่ mm. เช่นบุรีเนี่ยเลวลาสูขก็มีความสุข mm. เดี๋ยว เดี๋ยวก็อยากจะสูบขึ้นมาอีกถ้าไม่ได้สูบก็จะทุกข์เนี่ยแต่ถ้าเราไม่ไม่สูบบุหรี่เราก็ไม่ต้องเดือดร้อนกับการหาบุหรี่มาสูบถ้าเราไม่ดื่มสุราเราก็ไม่ต้องหาสุรามาดื่มถ้าเราไม่ดื่มกาแฟเราก็ไม่ต้องหากาแฟมาดื่มของเหล่านี้ร่างกายไม่ไม่ไม่ไม่จาเป็นจะต้องมีถ้าต้องดื่มก็ดื่มน้าเปล่าเนี้ยร่างกายต้องมีน้ำเปล่า แต่เครื่องเดิมชนิดดื่มนี้ยกเลิกได้หมดเลยเสียเงินเปล่ า, ป า, ปาเป็นความสุขประเดี๋ยวประเดาเป็นความสุขที่ทําให้เราติดมันพยายามเลิกการหาความสุขจากรูปเสียงก ล, งลิ่นรสต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสของเครื่องเดิมรูปเสียงกลิ่นรสของของที่เรารับประทานเี่ยรูปเสียงกลิ่นรสของคนคนนั้นคนนี้ อยากจะอยู่ใกล้คนนั้นอยู่ใกล้คนนี้ออัน <Yeah. S 1> นี้นก็เหมือนกัน <Yeah. S 1> ถ้าเลิกได้สบายกว่า <Yeah. S 1> อยู่คนเดียวได้สบายกว่า <Yeah. S 1> ที่อยู่ไม่ได้เพราะมันเหงาอ <Yeah. S 1> แต่ถ้านั่งสมาธิได้แล้วจะไม่เหงา <Yeah. S 1> เวลาเหงาก็นั่งสมาธิไปพุโทโธพุทโธไปเดี๋ยวใจสงบแล้วก็จะหายเหงาก <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ารนั่งสมาธิเพื่อให้เรารู้จักวิธีหาความสุขที่แท้จริง ความสุขที่มีอยู่ในตัวเราเมื่อเราสามารถหาความสุขในตัวเราได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากคนอื่นจากสิ่งอื่นเพราะสิ่งอื่นคนอื่นมันเป็นของชั่วคราว<ม>เวลาเขาจากเราไปเราก็จะทุกข์อีก<ม>ั้นอย่าไปอาศัยอะไรมาให้ความสุขกับเราอาศัยสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราให้ความสุขกับเราก็คือความสงบ พยายามผันนั่งบ่อยๆนั่งบ่อยๆต่อไปมันก็จะทํานานแล้วมันจะนั่งง่ายแล้วมันจะนั่งได้ทั้งวันถ้ามั่วแล้ว ก, ลก็ลุกขึ้นมาเดินลุกขึ้นมาทําอะไรก็ได้เวลาทําก็คอยควบคุมใจอย่าให้ไปคิดอยากกับสิ่งต่างๆเอเวลามันอยากก็บอก ว, ว่ามันทุกข์นะเหมือนยาเสพติดเนี่ยยา ก, กาแฟแล้วก็ต้องดื่มไปเรื่อยๆถ้าไม่มีกาแฟดื่มก็จะทุกอีก สอนใจให้หยุดความอยากในสิ่งต่างๆเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันให้ความสุขเราเพียงชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไปให้ทำอย่างนี้สลับกับการนั่งสมาธิตัดได้มากเท่าไหร่เราจะสบายไม่มีความกดดันเนี่ยตรงนนี้เราถูกความอยากกดดัน อยากใช้เงินก็ต้องไปหาเงินกันหามาเท่าไหร่ก็ไม่พอหาหาได้มากก็ใช้มากขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เพราะความอยากซื้อของมันมีมากเหลือเกินั้นอย่าไปอย่าไปทำตามความอยากมานั่งสมาธิแทนคิดว่าถ้าได้สิ่งนั้นแล้วให้ความสุขกับเราก็ให้คิดว่านั่งสมาธิได้ความสุขที่ดีกว่า เรเป็นความสุกฟรีไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องไปหาเงินมาซื้อแล้วเราสามารถนั่งได้ตลอดเวลาถ้านั่งไปเรื่อยๆต่อไปเราจะนั่งได้อย่างสบายไม่ห ม, ม, ม่ตอนนี้เรานั่งรู้สึกมืนต้องต่อสู้กับกิเลสกิเลสไม่ชอบ ม, มันไม่ยอมให้นั่งแต่านั่งแล้วรู้สึกเกิดัญอะไรต่างๆแต่ถ้าเรา ทำไปเรื่อยๆต่อไปอาการต่อต้านมันจะหายไปแล้วเราจะนั่งสมาธิได้ตลอดเวลา <S <S เวลาเหงาก็นั่งสมาธิเวลาอยากดูทีวีก็นั่งสมาธมิเวลาอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็นั่งสมาธิไปแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปหาเงินทองให้เหนื่อยยาก <S <S ไปไปก็เอาไปไม่ได้ของสิ่งต่งตางๆที่เราหามามไปก็ไปแบบเงาไปแบบว่าเว่ เขาไม่มีอะไรติดตัวไปแต่ถ้าเรามีสมาธิเราจะไม่เหงาไม่ว้าเว่เราจะไปอย่างสงบไปอย่างสบายไปอย่างมีความสุขเป็นพยายามทาสมาธิหัดทาบ่อยๆทามากๆสลับกับการใช้ปัญญาสอนใจเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาเกิดความอยากก็บอกว่าอยา่าอย่าทำตามความอยากทำแล้วมันไม่มีวันพอ แต่วเวลาไม่ได้ทําก็จะทุกข์ฝืนมันอย่าไปทํามันเวลาอยากก็กลับไปนั่งสมาธิดีกว่าอยากจะมีความสุขกับกาแฟก็ไปนั่งสมาธิดีกว่า<ม>ความสุขจากสมาธิดีกว่าความสุขจากการดื่มกาแฟ<ม>ต่อไปเราก็ไม่ต้องดื่มกาแฟพอเราไม่ทําตามความอยากครับความอยากมันก็หายไปเราจะไม่มีอะไรมารบกวนใจเรา อยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่ทราบเสียงทางบ้านได้ยินไหมได้ยินนะนะพยายามทำไปสมาธิกับปัญญาสลับกันเวลาทำสมาธิก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องใช้ปรรัญญาเวลาออกจากสมาธิมาพอจะคิดก็ใช้ปรรัญญาสอนใจอย่าไปทำตามงวามอย่าอย่าไปอยากกลบลูกเสียงกยลิ่นรถ อย่าไปอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากมีนั่นมีนี่อย่าไปอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พออยากแล้วเขาไม่เป็นเราก็จะทุกข์ปล่อยเขาปล่อยทุกอย่างให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราอย่าไปยุ่งกับเขาเราอย่าไปมีความสุขกับเขาที่เราอยากให้เขาทำอย่างงุ้นอย่างนี้เพราะเขาทำแล้วเราจะมีความสุขแต่บางทีเขาก็ทำได้บางทีเขาก็ทำไม่ได้ บางทีเขาก็ไม่ทําราเขาไม่ทําเราก็ทุกข์เห็นไหยเราอย่าไปอยากฝ่ายเขาทำอะไรเรื่องของเขาคนที่เราไม่รู้จักนี้เราไม่ทุกข์กับเขาเท่าไหร่ะเพราะเราไม่ได้ไปอยากอะไรกับเขาแต่คนที่เรารู้จักคนที่ใกล้ตัวเราเนี่ยมักจะทุกข์กับเขาเรื่อยก็อยากให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้อยู่เรื่อยอเขาก็ไม่ทําเราก็ทุกข์ขึ้นมานะตัดความอยากให้หมดอยู่เฉย อยู่ก like ับความจริงความจริงเป็นยังไงก็เอาอย่างนั้นตอนนี้ฝนตกก็ปล่อยมันตกไปอยากไปอยากให้มันหยุดอยากให้มันหยุดก็ทุกข์อีกก็มันไม่หยุดแต่ถ้าอยู่กับความจริงมันก็ไม่ทุกข์มันตกก็ปล่อยมันตกไปอยู่กับคนเขาเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยเขาเป็นอย่างนี้ไปเขาเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยเขาเป็นอย่างนั้นไปอยู่กับความจริงอย่าไปอยู่กับความอยากอยู่กับความอยากเราจะทุกข์ อยู่กับความจริงแล้วจะไม่ทุกข์เข้าใจนะ อ, อะ่ทางบ้านมีคำถามไหมมีมีคุณ็อกครคำถามถามแน่เด็ดคุณเจมครับถ้ามีเพื่อนมายืมเงินเราแต่ไม่แจ้งว่าเอาไปทำไรแล้วเรามาทราบที่หลังว่าเขานำไปทำแย้งเราจะมีส่วนผิดและจะได้รับผลกรรมด้วยไหมครับ ไม่มีส่วนหรการกระทาเป็นของเขา เ, ออเงินทองนี่เขามายืมเราเราให้ด้วยความเมตตา อ, อแต่ต่อไปก็ควรจะถามเขาหน่อยก็จะดีว่าจะเอาเงินไปทําเขาก็โกหกเราอีกแบบเขาจะมาพูดความจริงทําไมอถ้าเขารู้ว่าพูดความจริงแล้วเขาไม่ได้เงินเขาก็โกหกดีดีเพราัออ้นก็อยู่ที่ว่าเราให้เขายืมไป อ, อ, อาจจะมีสาเหตุที่เราต้องให้เขายืม จะอาจจะเป็นบุญคุณมีบุญคุณกันมาก่อนเราเคยยืมเงินเขาตอนนี้เขาไม่ยืมเงินเราก็ต้องก็ต้องให้เขายืมไปส่วนเขาจะไปทำอะไรนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเรารู้เราก็ปฏิเสธไปอย่าให้เขาเอาเงินทาไปทำสิ่งที่เป็นโทษกับเขาหรือกับคนอื่นเช่นเอาเงินไปซื้อสุราเอาเงินไปเล่นการพนันเอาเงินไปทำบาปนครับ ต่อไปจาคุณพัชราครับปกติจะภาวนาพุโทโธค่ะระยะนี้ใจไม่นิ่งโยมจะเปลี่ยนมาใช้เป็นอนาณาปานสติตามดูลมหายใจอย่างเดียวแทนเพื่อดึงสติไม่ให้ส่องออกคุ้มได้ไหมครับถ้าได้ขอพระอาจารย์สอนวิธีพิจารณาตามลมอย่างไรถึงจะถูกท้องกราวตอบกับคุณค่ะคือการดูลมอันี่มันทําได้จ้ะเฉพาะเวลาที่เรานั่งถ้าเวลาเราทําอะไรต่างๆมันดูยาก ลมหายใจมันละเอียดถ้าเราต้องการมีอะไรดึงใจไม่ให้ไปคิดอถ้าเวลานั่งเนี่ยเราดูลมได้นั่งแล้วเราก็ดูลมที่ปลายจมูกดูเข้าดูออกเท่านั้นเองไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องไปไม่ต้องไปทําให้ลมหายใจไปเร่งมันหรือไปไปทําให้มันช้าปล่อยมันไปตามธรรมชาติค่อดูเฉย ดูเพื่อเราจะได้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นถ้าดูแล้วคิดเรื่องอื่นก็ใช้ไม่ได้ต้องดูอย่างเดียวดูนมอย่างเดียวดูว่าลมเราเนี่กกำลังเข้าหรือกาลังออกสั้นหรือยาวหยาบหรือละเอียดให้รู้แค่นี้แต่ถ้าเราแต่ถ้าเราอยู่ในท่าอื่นเนี่ยกำลังทำงานเรื่องอะไรนี้ท่านก็ให้ดูร่างกายดูการทำงานของร่างกาย ตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่กำลังแปรงฟันกำลังล้างหน้ากำลังหวีผมเนี่ยก็ให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่กำลังหวีผมก็หวีผมอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้กำลังแปรงฟันก็แปรงฟันอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้วันนี้ก็จะทําทให้เราหายฟุ้งซ่านได้คำถามจากคุณกาใจ ที่พักมีแมลงสาบตัวเล็กๆเยอะมากฝากจะฉีดยาฆ่ า, มาแมลงรอบๆตู้แะชั้นโดยไม่ให้โดนตัวมแมลงเพื่อที่จะให้มันคนกลิ่นย้อมได้แล้วไปที่อื่นที่จะเป็นบาปไหมคะก็ดูเนี่ยมันตายแล้วไม่ตายเลย้าฉีดแล้วมันตายก็ยังบาปอยู่ต้องถามสักคนนะคนุเคยได้ยินว่าพระอรหันต์มี40กว่าอาการครับ อย่างที่ท่านไม่มีอิทธิทธิใดๆเป็นอย่างไรครับเพราะว่ากว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ต้องผ่านการปฏิบัติฝึกผลโดยเฉพาะสมาธิซึ่งสอนให้เกิดพลังจิตอิทธิฤทธิหรืออัภิญญาไม่เกิดจะเป็นไปได้หรือไม่ครับกันได้เพราะสมาธิมี2แบบสมาธิแบบไม่มีอิรธิฤทธิก็ได้สมาธิที่มีอิรธิฤทธิก็ได้ ถ้าสมาธิที่เป็นอิทธิฤทธิ์ก็มันจะทำให้เราเสียเวลาหลงทางเพราะว่ามันสมาธิที่มีอิทธิฤทธิ์นี้ไม่สามารถทำให้บรรลุได้ต้องเอาสมาธิที่ไม่มีอิทธิฤทธิ์แต่บางท่านท่านเคยฝึกมาสองอย่างท่านก็สามารถมีอิทธิฤทธิ์ได้ด้วย เ, เรื่องแล้วก็บรรลุได้ด้วยแต่ถ้าเราไม่มีอิทธิิตเราก็อย่าไปเรียนทางอิทธิฤทธิ์เลย เราไปทางสมาธิที่ทําให้เราบรรลุเลยคือไปอัปปนาสมาธิอย่าไปที่อย่าไปอุปจารสมาธิอุปจาระสมาธิก็จะทําให้เรามีอิทธิฤทธิต์ต่างๆแต่มันจะทําให้เราดับกิเลสไม่ได้แต่ถ้าเราไปทางอัปปนาสมาธิเราก็จะมีกําลังดับกิเลสได้ครับ คาเสมัยนี้คนผู้ฟังทำแล้วพิจารณาทำจนบรรลุธรรมไม่มีแล้วใช่ไหมครับก็ไม่มีใครยืนยันได้ามีแล้วไม่มีก็ยังอาจจะมีอยู่คนบางคนเขามีบาลีเก่าเขามีอัปปนาสมาธิแล้วพอเข้ามาอ่านหนังสือธรรมะเขาก็บรรลุได้ก็มี จตเราพิจารณาอารมณ์ตอนอารมณ์มากระทบ Sith. นี้คือผลจากการที่เราภาวนาใช่ไหมครับพราจาไหนไหนถามไหมนี่การที่จิตเราพิจารณาอารมณ์ตอนอารมณ์มากระทบ ök, คือผลจากการที่เราภาวนาใช่ไหมครับ ก, ก, ก็การภาวนาก็เป็นการดูอารมณ์เลยเวลาอารมณ์มาเราก็พิจารณาดูอารมณ์แล้วก็ปล่อยวางพิจารณาว่าไม่เที่ยง ก่แล้วก็ดับไม่ต้องไปทําอะไรเป็นเวลาโลภอยากจะได้อะไรก็ไม่ต้องไปทําอะไรเดี๋ยวมันก็ดับไปถ้าไม่ดับก็ต้องหาวิธีดับใช้ปัญญามาดับมันเนื่องจาโลภแล้วทุกข์ไม่ใช่สุขสิ่งที่ได้มาเดี๋ยวทําให้เราทุกข์เพราะสิ่งที่ได้มาแล้วเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวมันหมดไปมันก็จะทําให้เราทุกข์ถ้ามีปัญญามันก็จะดับได้ แต่บางทีเราเคยเราเคยผ่านมันมาแล้วพอมันโผล่ขึ้นมาพอเราบอกไม่เอามันก็ดับไปได้แล้วแต่เช่นเคยสูบบุหรีแล้วเคยเลี่ยได้แล้วแล้วอยู่อยากจะสูบขึ้นมาแล้วก็บอกแล้วไม่สู บ, ส, บสูบไปทําไมสูบแล้วได้อะไรมันก็เลิกมันก็ไม่สูบ ครับผมฟังเรื่องคนตายแล้วฟื้นแต่ได้พูดถึงชีวิตหลังความตายอยากสอบถามพระอาจารยครับว่าเป็นจริงหรือไม่อย่างไรและมีวิธีแนะนำสาหรับรคนอยู่อย่างไรบ้างครับก็เรามี่สองส่วนไงส่วนที่ตายกับส่วนที่ไม่ตายส่วนที่ตายก็คือร่างกายส่วนที่ไม่ตายก็คือจิตใจผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆเป็นเหมือนคนขับรถยนต์ส่วนร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์รถยนต์นี้เดี๋ยวเวลามันพังก็พังไปแต่คนขับไม่ได้พังไปกับร่างกายพอรถเก่ารถพังไปคนขับก็ไปซื้อรถใหม่จิตใจก็เป็นคนขับร่างกายนี้จิตใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอร่างกายตายไปจิตใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่ ไปเกิดใหม่ก่อนจะไปเกิดใหม่ก็แวะไปใช้บุญใช้บาปก่อนถ้าทําบาปมากกว่าบุญก็ไปใช้บาปก่อนจนาบาปบุญกับบาปเหลืออยู่เท่ากันก็กลับมาเป็นมนุษย์ก็จะไปเกิดได้ได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่ถ้าบุญมากกว่าบาปก็ไปรับไปเอาบุญก่อนไปใช้บุญก่อน พอบุญกับบาปมันมีเท่ากันก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่มาเกิดใหม่ได้ร่างกายใหม่แล้วมาทําบุญทําบาปใหม่คำ ถ, ถามจากคุณบ่าวีการฝึกสมาธิเราควรวัดความก้าวหน้าในการฝึกจักอะไรได้บ้างครับว่าการปฏิบัติของเราเก้าวหน้าหรือไม่ก็เรานั่งสมาธิแล้วจิตสงบไหม สงบนานหรือไม่นานเนนั่งบ่อยไหมถ้าถ้านั่งบ่อยนั่งนานสงบมากอย่างนี้ก็ก้าวหน้าถ้านั่งไม่นานนั่งแล้วไม่สงบอย่างนี้ก็ยังไม่ก้าวหน้าดูความสงบดูปริมาณของการนั่งว่านั่งบ่อยไหมแล้วก็นั่งได้นานไหม น, นี่คือการความก้าวหน้าของการนั่งสมาธิ ตอนน่า จ, จะนั่งแค่สิบห้านาทีวันละครั้งสองครั้งต่อไปก็เพิ่มเป็นสามสิบนาทีวันละครั้งสองครั้งต่อไปก็ครั้งละเริ่งชั่วโมงวันละใสห้าครั้งเลยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่งให้บ่อยขึ้นนั่งให้นานขึ้น น, นี่เรียกว่าเจริมก้าวหน้าความขำจากคุณเฉริมคนทําไมคนสมัยก่อนเป็นบรรลุ รูกกันได้ได้และเป็นจานวนมากกว่มามันี้ครับก็เป็นหมาว่าเป็นยุคที่คนกำลังรอให้มีคนมาบอกทางคือมีคนอยากจะหลุดพ้นเยอะแยะเตรียมตัวกันหาทางกันแล้วก็ไปถึงจุดขั้นสุดท้ายแล้วแต่ขั้นสุดท้ายไปติดอยู่ที่ขั้นสุดท้าย พอดีมีพระพุทธเจ้ามามาสอนขั้นสุดท้ายให้ก็เลยหลุดกันไปเป็นเป็นร้อยเป็นพันไปนเยอะแยะเป็นหมดพอพวกนี้หมดแล้วพวกที่ไม่พวกที่ยังไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัตินี้ก็มันก็แม้มีพระพุทธเจ้าสอนมันก็ไม่บรรลุกันเพราะว่ามันยังไม่ได้ถึงขั้นสุดท้ายกันยังอยู่ที่ขั้นทําบุญทําทานกันอยู่ สมัยพระพุทธเจ้านี้พวกที่เขาอยู่ขั้นสมาธินี่มีอยู่เยอะมีพวกฤาษีพวกอะไรพวกนี้เขาทขาปฏิบัติสมาธิกันแต่เขาเติดอยู่ตรงขั้นปัญญาเขาไม่มีปัญญาที่จะทำให้เขาบรรลุได้พอมีพระพุทธเจ้ามาสอนขั้นปัญญาพวกที่มีสมาธิก็ไปหมดเลยมีกี่คนก็ไปหมดเลยอม พอรุ่นนี้หมดแล้วพวกที่ยังไม่ขึ้นถึงขั้นสมาธิก็ยังไม่มีตามมามันก็เลยมีน้อยอย่างยุคเรานี่พวกเรานี่พวกขั้นสมาธินี้ไม่ค่อยมีกันเลยแม้มแต่เป็นพระเป็นนักบวชก็ยังไม่นั่งสมาธิกันเลยต้องจริงพระนี่ควรจะเป็นพวกที่เป็นพวกนั่งสมาธิกันแต่พระสมัยนี้กลับไม่นั่งสมาธิกันกลับนั่งดูอนั่งนั่งเป่านั่งเสกัน ก็เลยไม่ค่อยมีคนบรรลุกันเพราะพูคนที่จะบรรลุได้นี่ต้องมีศีลมีสมาธิแต่พวกเราสมัยนี้ศีลก็ไม่เอาสมาธิก็ไม่เอ า, เ อ, าอย่างมากก็ทาบุญก็ไม่ใครเอาบุญก็เป็ีนทำอาหนสองหนครั้งสองครั้งอย่างเี้มันก็ไม่มีไม่มีคนที่จะไปบรรลุได้แล้วไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนคนพวกที่เขา กำลังขวนขวายในทางศีลสมาธิกันเยอะแต่เขาไม่มีปัญญากันเหมือนรถไปที่ไปติดไฟแดงเนี่ยพอไฟเขียวปุ๊บเนี่ยกี่คันมันก็วิ่งออกไปหมดเลยไฟยังเขียวอยู่แต่รถไม่มีมาละพราะรถที่ติดอยู่มันมันอยู่ตรงข้างหน้าพอไฟเขียวปุ๊บมันก็วิ่งไปหมดเลยพระโพธิพระโ พ, ะพาาธิสัตสนามนี่ก็เป็นเหมือนไฟเขียว ยุคไหนมีพระพุทธศาสนายุคนั้นก็เหมือนที่กับว่าเป็นยุคที่มีมีไฟเขียวใครอยากจะวิ่งไปก็วิ่งไปได้เลย<ฮ>แต่ตอนนี้ใครอยากจะบรรลุก็บรรลุลได้เลย<ฮ>ไปเรียนศีลสมาธิพระปัญญาจากพระพุทธเจ้าจากพระธรรมคำสอนก็เอาไปปฏิบัติชอบรรลุได้เลย<ฮ>แต่ไม่ไปกันเองชอบไปอีกทางชอบไปหาราบยศสารเสด็จกันชอบไปเที่ยวกัน ชอบไปดูหนังฟังเพลงชอบไปซื้อเสื้อผ้าซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆไม่ค่อยไปหาศีลสมาธิปัญญากันก็เลยไม่ค่อยมีคนบรรลกันสมัยนี้ท่านโลกเจริญทางวัตถุมากเท่าไหร่ทางทางจิตใจก็เสื่อมมากไปเท่านั้นสมัยโบราณมันไม่ไม่เจริญทางวัตถุกันก็เลยไปเจริญทางศีลสมาธิปัญญากัน มันมันมันมันกลับกัน bard. ถ้าจเจริญทางวัตถุแล้วก็ไม่จเจริญทางจิตใจถ้าไม่จเจริญทางวัตถุก็จะไม่จเจริญทางจิตใจเพราะการจเจริญจิตใจไม่ต้องพัฒนาวัตถุไเการจเจริญทางจิตใจก็พัฒนาแต่สีนสมาธิปัญญาหรือทำทำบุญทรทานเนี่ยแต่ถ้าไม่พัฒนาทางจิตใจไม่พัฒนาทางวัตถุจิตใจก็เสื่อม คนทำบาปก็เยอ ะ, อะคนทำบุญก็น้อยอคนนั่งสมาธิก็น้อยคนบวชก็น้อยอสมัยก่อนบวชกานอย่างน้อยก็อย่างน้อยต้อต้องหนึ่งพันษาเนี่ยคนไทยที่เป็นผู้ชายชาวพุทธเนี่ยทุกคนเขาต้องบวชกันทุกคนอะ่ะอย่างน้อยก็หนึ่งพนษาสมัยนี้บางทีเช้าบวชเช้าสึกเย็นกันเพราะว่ามันไปไปติดกับความเจริญทางวัตถุกัน มันก็เลยไม่เห็นความสําคัญของการเจริญทางจิตใจเพราะคิดว่าการเจริญทางวัตถุจะเป็นวิธีดับความทุกข์กันไงใช่ไหมเรามีเงินเที่ยวความทุกข์ก็หายไปมีเงินซื้อข้าวซื้อของความทุกข์ก็หายไปไก็เลยคิดว่ามีวัตถุแล้วจะดับความทุกข์ได้แต่มันเป็นความดับชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องทุกข์อีกฮนะรวยขนาดไหนตอนนี้เห็นไหย ไปขับรชนตำรวจตอนนี้ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยเพราะะนั้มันทางวัตถุไม่มีวันที่จะดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงดับได้ชั่วคราวคนไม่ฉลาดก็เลยคิดว่าเป็นวิธีดับความทุกข์กันก็ เ, เลยหาความสุขจากวัตถุต่างๆกันพัฒนาวัตถุมาขายกันใชนะ่พัฒนารถยนต์พัฒนาข้าวของต่างๆมาขายคนที่ คนที่ไม่มีก็อยากได้ซื้อมาคิดว่ามีความสุขซื้อไอโฟนมาแล้วซื้อรถเบนมาขี่แล้วจะมีความสุขกันแต่ไปขับรถชนคนตายเข้าทุกข์วันนี้มองไม่เห็นความทุกข์ที่ตามมาจากการไปห า, าหาวัตถุมาดับความทุกข์กันดับไม่ได้วัตถุมีแต่จะทำให้ทุกข์มากขึ้นดังนั้นเราต้องกลับมาพัฒนาจิตใจ มาทำบุญทำทานมารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันแล้วเราจะมีความสุขเราจะดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงข้อถามจากคุณนัทยาธิาบุญกับพระอริยสงฆที่สำเร็จแล้วกับพระที่ยังไม่สำเร็จได้อันนี้ส่งเข้ากันไหมคะก็ไม่ไม่ได้ธรรมะไงธรรมะได้ไม่เท่ากัน ถ้าไปหาพระที่บรรลุแล้วกับพระที่ไม่บรรลุก็ธรรมะจะไม่เหมือนกันเหมือนคนที่จบปริญญากับคนที่ไม่จบปริญญาไปเรียนจากคนที่ไม่จบปริญญาก็จะได้ความรู้ไม่เท่ากับได้รับความรู้จากคนที่จบปริญญาเหตนั้นถ้าอยากจะได้ความรู้อยากได้ธรรมะก็ต้องเลือกทากับพระที่บรรลุทำแต่ถ้าอยากจะได้เพียงแต่ความสุขที่เกิดจากการให ทำกับใครก็ได้ทำกับแม่กับพ่อก็ได้ทำกับพี่กับน้องก็ได้ทำกับเพื่อนก็ได้ทำกับหมากับแมวก็ได้คือการให้ก็ทําให้เรามีความสุขได้บุญเหมือนกันเป็นบุญอย่างหนึงการทําบุญนี่เราจะได้สองนี่สองสองกระทงสองเดงเร่งแรกก็คือความสุขบุญที่ได้จากการเสียสละเงินทองเข้าของ ให้แก่บุคคลคนอื่นเด้งที่สองก็คือสิ่งที่เราจะได้รับกลับจากคนที่เราไปทําทําบุญด้วยเราไปทําบุญกับพระพระท่านก็มีธรรมะให้กับเราแต่พระแต่ละองค์ก็มีธรรมะไม่เท่ากันบางองค์ก็มีธรรมะขั้นต่ำบางองค์ก็มีธรรมะขั้นสูงแล้วแต่เราว่าเราต้องการธรรมะขั้นไหนถ้าเราต้องการธรรมะขั้นต่ำเราก็ไม่ต้องไปหาพระที่บรรลุ ทำขั้นสูงก็ได้แต่อาพาธที่บรรลุทำขั้นต่ําก็ได้แล้วแต่เราการทําบุญมีมีบุญสองเด้งบุญที่เกิดจากการเสียสละและบุญที่เกิดจากผู้ที่เราไปทําบุญด้วยว่าเขาจะมีอะไรให้กับเราคำถามจากคุณนาลาธาตกับลาลามีแตกต่างกันอย่างไรครับ ว่าทานนี่มันเป็นบาลานบาลมีอย่างหนึ่งบาลมีก็คือนิสัยที่ดีของเราเราเรียกว่าบาลมีนิสัยที่ดีเราทําอะไรแล้วมันติดเป็นนิสัยไปเช่นเราทําทานทํำไปเรื่อยๆมันก็จะติดเป็นนิสัยไปก็เรียกว่าเป็นบาลมีขึ้นมาถ้าเป็นส well, ันดานก็เรียกว่าเป็นบาลมีนิสัยยังไม่ถือว่าเป็นบารามีเพราะนิสัยมันยังไม่มันยังไม่ฝังเลึกในใจแล้ว แต่ถ้าบารามีนี้มันถ้าสันดานนี้มันฝังลึกในใจเราการทําความดีต่างๆนี่เราเรียกว่าบารมีแต่การทําบาปต่างๆเราเรียกว่าสันดานลึกกรรมพวกที่ทําบาปพวกที่ชอบฆ่าสัตว์รักทรัพย์นี่เขาก็เรียกว่ามันเป็นสันดานแต่ถ้าพวกที่ทําบุญเนี่พวกรักษาศีลนี่เขาเรียกว่าบารามี นั่งสมาธิจนรู้ว่าลงหายใจเป็นสามระยะมีเข้าสั้นออกสั้นเข้ายาวออกสั้นแบบนี้เราจะต้องดูตามอาการนั้นหรือไม่สนใจปล่อยวางครับก็ดูเฉยๆมันจะเป็นอาการอย่างไรก็ดูเฉยๆดูเพื่อให้เราไม่ไปสนใจกับเรื่องอื่นไม่ไปคิดถึงขนมนมเลยไม่ไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้พอเราไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นเราก็จะนั่งเฉยๆได้มีความสุขได้ เราไม่ดูลมเดี๋ยวเราไปคิดถึงขนมคิดถึงเครื่องดื่มเดี๋ยวเราก็นั่งไม่ได้ก็ต้องลุกไปหาขนมกินไปหาเครื่องดืมดื่มเพืพยายามให้มีอะไรให้เราดูให้เราสนใจเราจะได้ไม่ไปทาอย่างรื่นไปดูลมไปเรื่อยๆแล้วลมจะจะทำให้ใจเราสงบทำให้ใจเราเย็นแล้วทำให้ใจเราอิ่มทำให้ใจเราพอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพักให้พรก่อนเถอะ โมงแรกผ่านไปนะแล้วถ้าใครอยากจะกลับจะได้กลับได้แต่ใครอยากจะอยู่ก็อยู่ได้ยถาวะเวาหาปุราริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตชินาเตานางอุปกะ ป, ะ ป, ะ ป, ะปตีิชิตังปัชิังกลุ่มงคิดเมวสะสนิชตตัพเปุเรนตสังกปา ยันโทปนาราสุยถามณิโชติอะราสยถาสัพพีติโยวิวาชฌัญโตสัพพารุโควินัสโตมาเตภวะตวันตราโยสุขิตายุโกภา อพิวาทานสีลิสะมิจังวุธาปจายโนจตารธรรมวาวทฏติอายุวันโอสุขังภาลังตามสบายนะใครอยากจะกลับก็กลับได้ใครอยากจะอยู่ต่อก็อยู่ได้ ถ้ากลับเราจะได้กลับด้วยถ้าอยู่ก็ต้องอยู่ต่อเฮ้ย อ, อ, อ่ ะ, อะแล้วจะกลับกรุงเทพเมื่อไหร่กลับเรียน<อ>นี้เลยน ะ, ะต้องมีขานึงจะได้กลับมาสอนได้ไหมคะฮะต้องมีขานึงจะได้กลับมาสอนได้อ่าอ่า จะต้องมีแนทางก็ต้องมีตังใช้ก่อนค่ะใช่ต้องมีของก่อนถึงจะให้เขาได้ถ้าเราไม่มีเราก็ต้องหาก่อนหาตามสบายนะฮะอ่าเอาเลยระวังนะอย่ารีบร้อนเออาขับช้าๆหาไม่ต่อไหย ไม่เอ่ยนามนะคะหากเราจะต้องใช้เงินมารักษาตัวซึ่งมันเยอะขึ้นเรื่อยๆการโรคที่เป็นโดยไม่มีความอยากเที่ยวอยากมีนั่งมีนี่แล้วค่ะธุรกิจก็เริ่มทําแล้วความทุกที่มีคือกังวลการหารายได้มาประทองชีวิตทั้งที่ส่วนตัวท้องพิมพกายตามที่ท่าอาจารย์สอนแต่สามีและลูกๆมองว่าคิดมากให้รักษาตัวต่อไปขอพระอาจารย์เมตตาค่ะ ถ้ามีปัญญารักษาได้ก็รักษาไปถ้าต้องไปเป็นหนี้เป็นสินก็อย่าไปรักษามันดีกว่าก็รักษาไปตามตามกําลังของเราอย่างพระสงฆอง์เจ้าครูบาอาจารย์เวลาท่านเปิดเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็รักษาตัวอยู่ที่วัดไปยินยาสามุนไพรไปอะไรไปหายก็ไม่หายหายก็หายไม่หายก็ตายไปอย่าไปเป็นภาระกับการรักษาตัวก็แล้วกัน ก็ อ, อย่าไปให้มันกดดันมาให้เราต้องทุกขกับมันรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมไปต้องมจกากคุาราน่สมาธิควรมีศีลห้าหรือเปล่าเวลานั่งมันก็มีศีลห้าอยู่แล้วนะ่เพราะเวลานั่งเราไม่ได้ฆ่าไม่ใช่นะเราไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดตัวเวณีไม่ได้ดื่มสุรา ไม่ได้โกหกดอกลวงนะก็มีอยู่แล้วแต่ถ้านั่งถ้าเดิมสุรามแล้วมานั่งก็คงจะนั่งไม่ได้เดินสุรามนั่งแล้วมันก็เมาข้อที่สองพระคาถ า, ภ า, าต่างๆเป็นศาสตร์ในศาสน า, าพนุทธไหนครับพราถาในส่วนใหญ่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนเช่นอนีจจะว่าตาสังขาราเนี่ยแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนี้เกิดแล้วต้องมีดับไปเป็นธรรมดา เป็นภาษาบาลีเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้ในสมัยพ พ, พุทธกาลเราฟังแล้วเราไม่เข้าใจท่า น, นั้นเองมจริงคาถานี่มันไม่มีความวิเศษตรงไหนหรอกมันวิเศษที่ความหมายเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจความหมายเราก็เลยไม่รู้ความวิเศษของคาถาเราก็เลยไปคิดว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ไปพอพระสวดคาถาแล้วแล้วจะทาให้ญาติโยมรวยขึ้นมาทันที ไม่ใช่หรอกนี่เป็นความเข้าใจผิดความหลงผิดข้อท 3. สสภาวะของผู้หลุดพ้นจากกิเลสเป็นแบบไหนครับผู้หลุดพ้นจากกิเลสต้องตัดทั้งหมดไหมครับก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่อยากอะไรเท่านั้นแต่ก็ยังทําอะไรได้อยู่ยังสูบบุหรี่ได้อยู่ยังกินกาแฟได้อยู่แต่ไม่ได้อยากกินถ้าใครให้ออกมาให้กินก็กิ น, นแต่ไม่ไปหามาเองไม่ไปดิ้นหามาเอง แต่ถ้ามีมาก็กินได้ดูได้ฟังได้อะไรทุกอย่างได้หมดเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปดินรนหาหมันไม่มีก็อยู่กับแบบไม่มีถ้ามีก็อยู่กับมีไปคำถามกับคุณลคนคนที่เป็นผู้ชายแมนๆแต่มีรสนิยมทางเพศชอบผู้ชายด้วยกันค่ะ <c oughs> มีใจศรัทธาในพุทธศาสนาคิดจะออกบวชพอได้บวชจะเป็นอุปสรรคในการบวชมากกว่าผู้ชาย ความค่ามากกว่าไหมครับและมีโอกาสที่จะสําเร็จได้เช่นเดียวกันกันกบผู้ชายปกติทั่วไปไหมครับและจะต่อให้เกิดภัยกับหมู่สลุ่มได้กันไหมครับคือถ้ามันเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องการจะบรรลุเนี่ยมันมันมันพอๆกันะ่ะเจะชอบผู้หญิงชอบผู้ชายนี่ไม่เป็นมันก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุได้เหมือนกัน แต่ทีนี้ถ้าเราไปชอบผู้ชายแล้วเราไปบวชกับพระพระเป็นผู้ชายแล้วต้องอยู่ร่วมกันเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาได้เพราะเดี๋ยวเกิดยับยั้งอารมณ์ไม่ได้บางทีต้องอาบน้ำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนรืองานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเห็นหน้ากันใกล้ชิดกันงั้นถ้ายังยังมีความรับความชอบในในในเพศเดียวกันมันอยู่ใกล้ชิดกันมันก็จะทำให้เกิดการารมณ์ขึ้นมาได้ มันก็จะทําให้เกิดความเสียหายกับสงได้เพราะเดี๋ยวเกิดไปมีอะไรกันมันก็เป็นข่าวขึ้นมามันก็ไม่ดีใช่ไหมอืมเพระฉะนก็อันนี้ก็เป็นอุปสรรคนะจับกับผู้จับผู้ชายที่ชอบเพศผู้หญิงนี่มันก็ไม่ค่อยมีอุปสรรคเพราะพระก็จะอยู่กับใ น, ในกลุ่มผู้ชายด้วยกันใช่ไหมตัวที่ไม่ได้ชอบผู้ผู้ชายด้วยกันอยู่ด้วยกันมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องการกรลง องั้นก็ถ้าถ้าจะบวชต้องไปบวชอยู่กับวัดที่ไม่มีพระน้อยๆเอแล้วก็พระที่ไม่อยู่ใกล้ชิดกันแยกกันอยู่จะมาร่วมทํากิจกรรมเฉพาะเวลาเช่นไปอยู่ตามพระป่าปปวัดป่านี่จะต่างคนต่างจะแยกกันอยู่กุติไครกุติมันจะมาทํากิจกรรมก็เฉพาะเวลาบิณฑบาตเวลาปาดถูอะไรทํานองนี้ ปัญหาทางเพศก็จะไม่ค่อยเกิดกันแต่ถ้าไปอยู่วัดแบบที่วัดในเมืองนี่อยู่ใกล้ชิดกันอยู่อยู่ตึกเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันอะไรอาบน้ําใช้ห้องน้ํามันเดียวกันอะไรนี่มันเดี๋ยวก็จะเกิดการผิดพลาดขึ้นมาได้เกิดเจ้าเอเปิดไปเขาเกิดเข้าไปเปิดห้องน้ําเขาไม่ได้ปิดประตูเข้ามาเหเห็นกําลังอาบน้ําอยู่เดี๋ยวก็อาจจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ ตนเองมีครอบครัวที่ต้องดูแลและเงินเป็นเรื่องสำคัญทุกวันเครียดแต่เรื่องหาไรายได้ขอบพระอาจารย์แนะนำด้วยเจ้าค่ะยหายามใหม่เลยตนเองมีครอบครัวที่ต้องดูแลและเงินเป็นเรื่องสำคัญทุกวันเครียดแต่หาหาไรายได้ขอบพระอาจารย์แนะนําด้วยเจ้าค่ะก็ให้ใช้ใช้จ่ายตามรายได้ที่เราหามาสิ อย่าใช้มากกว่าที่เราหาได้ต้องรู้จักอดต้องบ้างถ้าถ้ากินสามมือไม่ได้ก็กินสองมือ้อถ้ากินสองมื้อไม่ได้ก็กินมื้อเดียวคำถามจากคุณนัทยาการเจริญปัญญาควรจะเจริญปัญญาในขณะได้สมาธิ ถือออกจากสมาธิก่อนถือจะเจริญปัญญาต้าองคะอ๋อต้องออกก่อนเวลาอยู่ในสมาธินี่ไม่ให้คิดอะไรให้นิ่งให้จิตนิ่งเฉยเฉยไม่ให้คิดอะไรถ้าคิดก็จะไม่เป็นสมาธิให้ออกจากสมาธิอย่างตอนเนี้ย ต, ตอนนี้เรานั่งคุยกันนเนี่ยคิดทางปัญญาได้คิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราคิดว่าร่างกายนี้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยคิดบ่อยๆคิดเพื่อไม่ให้ลืม คนเราไม่คิดมันจะลืมะแล้วเราต้องคิดไปกระทั่งมันไม่ลืมถ้ามันไม่ลืมแล้วเราจะไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายเราจะไม่ทุกขกับการไม่มีเงินไม่มีทองตอนนี้เราทุกกับเงินทองเพราะเราคิดแต่จะหาเงินหาทองอย่างเดียวเราไม่เคยคิดว่าเดี๋ยวเราก็ตายไปเวลาตายไปเราก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอยู่ดีถ้าเราคิดว่าเราต้องตายเรื่องเงินทองก็จะไม่มีปัญหาอะไร มีก็ใช้ไปไม่มีก็ตายก็คิดอย่างนี้ก็แล้วกันมันก็ไม่ทุกข์กับการหาเงินหาทองข้ามถังจากครืจุราไซข้ามสอนของพระสัมมาสัมพุทธาาเจ้าเการทำที่ต้องพิสูจนได้เองเปรียบเสมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ใช่หรือไม่ครับเช่นการทำดีย่อดได้ดีหรือการเป็นผู้ให้ที่ดีก่อนย่อดเป็นผู้รับเช่นกันอ่าก็ลองทำดูลย ถ้าเราไม่ให้เขาเขาจะให้เราเหรอเย้ถ้าเราให้เขาบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็ให้เราเองอะขอถามจากคุณฟานผมมีความตั้งใจจะนั่งสมาธิแต่ก่อนผมก็นั่งผมไปตกยุงตาย <c oughs> สข้อที่หนึ่งเลยมีความคิดแบบหนึ่งทําให้ขอไม่อยากนั่งสมาธิ ก็ได้ยินมาว่าสีไม่พบทําสมาธิไปก็ไม่ได้ผลไม่สงบถึงได้ผลก็ได้ผลยากใช่ไหมครับก็เพราะมันคิดอย่างนี้มันถึงไม่ได้ผลไงก็อย่าไปคิดอย่างนั้นเลยคิดว่าทำไปแล้วก็แล้วกันไปบาปก้อนั้นผ่านไปแล้วมันก็ปล่อยมันผ่านไปเราอยา่าเราก็รักษาข้อหมายต่อไปร่งต่อไปบางทีเรายังไม่เรายังไม่มีสติมากพอเราก็เผลอได้พอยุ่งมา กัดปุ๊บแล้วก็ตบปั๊วไปเลยอนะก็อย่าไปเอามาเป็นอุปสรรคเพียงแต่รับรู้ว่าเ อ, อ่อเรายังยังมีสติไม่ดีพอศีลเรายังไม่บอยสุดแต่ก็ไม่มาไม่ไม่ไม่ไม่ควรจะเป็นเหตุทําให้เราไม่ต้องนั่งสมาธิเราก็ยังนั่งได้อยู่นะถ้าเราพยายามนั่งต่อไปต่อไปเรามีสติมากขึ้นเราก็จะไม่ไปตบอยู่ไงเวลายองกัดเราก็ไปเขี่ยมันเฉยๆไล่มันไป หรืปลยมันปล่อยมันดูดเลือดไปเสอะครึ่งนาทีก็เสร็จแล้วมันดูเสร็จแล้วมันก็ไปแล้วมันมันไม่ยุ่งกับเราแล้วมันมาขอเลือดเราไปตรวจหน่อยนั่นเองเวลาไปหาหมอยังให้เขาเอาไปได้ต้องเยอะแยะยุ่งมันเอาไปแค่นิดเดียวให้มันไปมันมาขอเจาะเลือดกันมันไปทักหลักคุณปุ๋ยเวลาปวดน้ำรอดทิศขาดได้ไหมคะเออเวลากดน้ำก็คือเวลาได้ทิศขาดไง แต่เล็กภายในใจว่าขออุทิศส่วนบุญนี้ให้กับคนนี้คนนี้ที่ร่วงรับไปแล้วไม่ใช่อุทิษฐานขอให้ร่ำให้รวยไม่ได้นะการอุทิศนี้การให้ไม่ใช่การขอนะทําบุญแล้วเราต้องการให้เรามีบุญแล้วเราส่งบุญให้กับคนที่เขาไม่มีไปอย่าไปขอกับคนที่เขาไม่มีไปขออะไรไปขอไปขอเงินจยากขอทางเนีนะ่ยต้องให้ขอทานสินะ คนแล้วเนี่ยเดี๋ยวพักเดี๋ยวมีคลิปทีวีใหม่คระขึ้นมาแล้วยังมีพ้นใหมยงัง่อวานมื่อวาัวรี่ยงเที่ยงแไม่าขาดแไม่าไยังไงมีอะไรไหม ก็เราอยากอยากพุโทโธนะก็ฝึกสติไปก่อนนะเวลาเราทําอะไรใกล้มีสติอยู่กับงานที่เราทําอยู่ควบคุมความคิดไว้ยอย่าปล่อยให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือถ้ามันไม่ยอมอยู่กับงานเราก็ใช้พุโทโธดึงมันก็ได้ก่องพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเวลาอยากจะคิดไปเที่ยวคิดไปหาเพื่อนคิดทํา น, นู่นทำนี่อะไรลุ้ยเปลือยคิดด้วยเปลือยคิดจีบปาถฐอะไรก็ หยุดมันใช้พุโทโธพุโทโธไปก็ได้หรือให้คอยเฝ้าดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วพอเรามเวลาว่างเราก็นั่งเลยนั่งแล้วก็ดูลมหายใจก็ได้หรือพุโทโธไปก็ได้พยายามนั่งบ่อยๆพยายามหยุดคิดบ่อยๆพยายามใช้สติควบคุมให้ใจจดจ่ออยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่หรือ้าจะถ้าจะคิดก็คิดทางปัญญาที่ว่าทุกอย่างไม่เที่ยง ทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยสักวันเราจะต้องทิ้งมันไปหมดตายไปเราอะไรไปไม่ได้เลยเงนทองก็ไปไม่ได้แฟนก็ไปไม่ได้ลูกหลานก็ไปไม่ได้อร่างกายนี้ก็ไปไม่ได้เั็นต้องรู้จักปล่อยมันให้ได้ถ้าปล่อยไม่ได้เวลาจากกันมันจะทุกข์มากถ้าปล่อยได้เวลาจากกันยังไม่ทุกข์วิธีปล่อยก็คืออย่าไปยุ่งกับมันปล่อยเข้าไป เขาจะทําอะไรก็ปล่อยก็ทําไปใครอยากจะทําอะไรก็ปล่อยก็ทําไปสมบัติถ้ามันจะอยู่กับเราก็อยู่ไปมันจะไม่อยู่มันจะไปแค่มันึ่งไปหัดอย่าไปใช้มันอย่าไปพึ่งมันมานั่งสมาธิวิธีปล่อยอย่างนี้ค่ะเธอตอนที่เรานั่งสมาธิตอนที่เรานั่งสมาธิเราปล่อยทุกอย่างเลยใช่ไหมเรานั่งหลับตาแล้วเราไม่สนใจแล้วใครจะเป็นใครจะตาย อะไรจะเป็นอะไรจะตายเราไม่เดือดร้อนนะตอนนั้นเราพุทโธพุทโธไปดิลลมไปถึงทำอย่านี้บ่อยๆแล้วเราจะปล่อยทุกอย่างได้แล้วต่อไปเวลาอะไรจะไปเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาอะไรไปเราก็พุทโธพุทโธไปปล่อยเข้าไปสบายเวลาเราจะไปก็พุทโธพุทโธไปทิ้งร่างกายไปทิ้งทุกอย่างไปเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิด ตอนนี้เป็นผู้หลงไปยึดไปติดกับสิ่ ง, งต่างๆว่าเป็นความสุขครับพอถึงเวลาต้องจากกันก็เลยกลายเป็นความทุกข์ขึ้นอันนี้ใช้ปัญญาคอยสอนใจเ ต, ตือนใจต่อไปนี้อย่าไปอยากมีอะไรอย่าไปมีอะไรอย่าไปหาความสุขจากใครอย่งนั้นหาความสุขจากการนั่งสมาธิดีกว่าทักถามจักพูดทางใหญ่ ผมนั่งสมาธิแล้วบางทีมีอาการใจเต้นแรงคล้ายคล้ายๆพิมใจผมคิดไปเองใช่ไหมครับเพื่อเคยเป็นครั้งแรกครับแต่เด็เดียวก็มันจะเป็นอะไรก็ให้รู้เฉยๆกันแล้วกันรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปยึดอย่าไปติดให้รู้เฉยๆเวลามันมาก็รู้ว่ามันมาเวลามันไปก็รู้ว่ามันไปมันไม่มีอะไรพิเศษ สิ่งที่วิเศษสำหรับเราก็คือความว่างความไม่มีอะไรอนนีนะ้ดีที่สุดถ้าใจเราว่างใจแล้วไม่ยึดไม่ติดกับอะไรเนะี่ยดีที่สุดคำถาจจากครับจาุณาวานันการที่พิจารณาความตายนั้นเราจะต้องมีอุเบกขาตลอดเวลาใช่ไหมครับไม่มีก็ได้เพียงแต่ว่าไม่มีแล้วมันไม่อยากจะพิจารณาถ้าเรายังมีความรับความชางังความกลัวความหลงอยู่ พอเราพิจารณาความตายเราก็จะหดหู่ใจขึ้นมาเพราะเรายังไม่อยากตายเรายังไม่ยอมตายแต่ถ้าเรามีอุเบกขาใจเราจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเราพิจารณาอะไรเราก็จะรับความจริงได้ที่เราไม่ค่อยชอบพิจารณาความตายกันเพราะเราไม่มีอุเบกขากันเพราะเรายังรักสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ยังรักร่างกายอยู่พอเราพิจารณาว่าร่างกายต้องตายเราก็ไม่สบายใจขึ้นมา แต่ถ้าใจเราไม่มีความลักในร่างกายเวลาพิจรารณาก็จะเฉยเฉยตายก็ตายสิคำถามจามกคุณอักชิชเวลากําหนดนั่งสมาธิแล้วมีความรู้สึกว่ายุงกัดมดกัดคลันตามตัวบ้างแต่ผมก็ไม่สนใจกับสิ่งที่มากระทําเหตุการณ์แบบนี้คืออะไรครับก็หลอกลอเราไหมบางทีกิเลสมันหลอกเรา คนที่เรานั่งแล้วมันก็จะหลอกเราว่าไอนั่นคันตรงนั้นคันตรงนี hmm. ้อย่าไปสนใจมันเป็นอาการที่มันสร้างขึ้นมาหลอกเราเราก็พูดโทพูดโธของเราไปเรื่อยๆแล้วดูลมไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวอาการเหล่านะั้นมันก็จะหายไปเขาเรียกว่ากิเลสตมาน mm hmm. มีใครอยากจะถามอนะไรมาจากที่ไหนหนู mm hmm. อรอวินเะนอมาคนเดียวเลย mm hmm. อ่าใครมาเลย ม, มันม่ชแรงามากับทามะากับพามมาบวชทามไม่ค่ะทามก็่ามมาพามอ่าเอาอ่ามีอะไรอยากจะถามไหมไม่มีบวชบวชมาครับถ้าแบบว่าเราแค่ บบมไม่ต้องมีน้ําหรอกน้ําไม่ใช่บุญบุญคือความสุขใจที่เราเกิดจากการทําบุญเราที่ความสุขใจไปให้กับผู้ท่องรับไปแล้วพอย่้คนก็บอกว่าถ้ากดน้ําแบบให้กับพวกพี่แบบต่ำเขาถ้าไม่มีน้ำไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวนะน้ำนีเน่เป็นตัวอย่างของบุญบุญมันเป็นน้ำมาทมเราไม่สามารถมองเห็นได้กับตา ก็แล้วน้ำมาเป็นตัวอย่างตัวแทนตัวแทนบุญที่เราจะอุทิศไปบุญก็คือกระแสะจิตของเรากระแสะจิตเราเหมือนกับเครื่องโทรศัพท์เนี่ยเวลาเราเปิดเครื่องแล้วกดหมายเลขมันก็ส่งกระแสะไปละแล้วพอมีเครื่องรับเขาก็รับได้นะมั้ยผู้ที่รับก็คือดวงวิญญาณเราก็ส่งกระแสะในคนเราไปให้กับผู้ที่รับรอรับอยู่เขาก็ได้รับเพียงแต่ว่า คนก็มองไม่เห็นเหมือนกับกระแสโทรศัพท์เรามองไม่เห็นเหมือนใช่ไหมสัญญาณโทรศัพท์เรามองเห็นไหมอ่าเขาก็เลยเอาจะเอาน้ําแทนเป็นตัวอย่างตัวแทนให้ว่าเนี่ยเหมือนกับเทน้ําไปเทน้ําไปน้ําก็วิ่งไปสู่ผู้รับต่อไปเท่านั้นเองงั้นตัวน้ําไม่มีมันไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีอะไรเป็นเพียงแต่เป็นตัวละตัวประกอบให้เห็นภาพเท่านั้นเองแต่ตัวจริงๆคือ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้ทำบุญเรามีความสุขใจอิ่มใจอันนี้ยเราส่งอันนี้ไปให้เขาก็อันนี้เขาส่งบุญไปนะทําบุญให้คุณแล้วขอให้คุณได้รับบุญบุญส่วนนี้ไปถ้าเขารอรับอยู่เขาก็โอ้รู้สึกสบายใจสุขใจเหมือเราโทรศัพท์ไปบอกเพื่อนว่า hey, เฮ้ยโอนเงินเข้าบัญชีแล้วนะ มาดูนะพอเขากดดูแฮปปี้เลยใช่ไหมนีม่แต่เห็นตัวเลขก็แฮปปี้แล้วนั่นแหะคือบุญน้ำไม่ต้องใช้น้ำ น, น, นี้คนส่วนใหญ่เขาไม่รู้ว่ากดอะไรไปอุทิศอะไรไปเขาก็เลยบอกเอาน้ำนี่แหละทำเทน้ำไปเป็นตัวอย่างสอนคนว่าบุญเหมือนกับแสนน้ำที่เราเทไป คนจะทําทันทีเวลาเราทําบุญปั๊บอุทิศทันทีเพราะเดี๋ยวเราไปทําบาปแล้วมันจิตใจมันจะมันไม่มันไม่สุขละมันจะเดี๋ยวจะอุทิศความไม่สุขไปให้เขาละไม่ต้องสวดใจละลึกภายในจิตใจบอาขออุทิศส่วนบุญนี้ให้กับคนนี้นคนนี้ไปอถ้ามีรอรับอยู่ก็ขอให้รับไปถ้าไม่มีใครรับก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีญาติที่ยังรอรับบุญส่วนนี้ก็เอาไปแทนก็ได้ ไออย่างเช่นถ้าอย่างเช่นผ ม, มหายย้ายครเขาบางทีเขาไม่ค่อยรับฟังใครเนี่ยผมก็บางทีเราใส่เศษแต่ไม่ตายเขาบ้างเวลาทางานเนี่ยเผื่อเขาช่วยรับฟังบ้างคนลูกน้องเลยโอ้ยลูกน้องเขาชินไงชิเนี่ยใส่หัวหน้าเขาหมาใช่ลูกน้องใครคือหัวหน้าผมอะเป็นคนที่ไม่ค่อยรับฟังใคเท่าไหร่อยูอดีก็แบบไม่รับความเหตุผลแล้วก็พูดขึ้นมาเนี้ย ถ้าทำให้น้องแต่ละค น, อ, นอยู่กับแกไม่ได้ก็เลยบางทีอาศัยอยากให้แกเลียกพึ่งบ้างแค่ไหน ไ, ไดตายอ๋อ<ก>ไม่ได้หรอกไ ม, ไ, ไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องกันอก็ต้องให้เขาเรียนรู้วิธีว่าว่าตัวเขาไม่ดีเขาต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเขาเองบางทีผมก็ช่วยบอกพูดกับขขเขาแล้วน ะ, ะแต่เขาก็เหมือนก็ไม่รับฟังเท่าไหร่ไม่รก็เทว่าหมดหมดหมดแล้วก็ช่วยไม่ได้ เพาลูกน้องสนใหญ่ขงเขาอะที่ผ่านมาเขาไม่ได้คนเหลือขึ้นน้อน้องทำไมไม่น่ะวันดีคืนนี้เขาอาจจะมีดวงตาเห็นทำขึ้นมาก็ได้ว่าอ่อที่คนอยู่ก่บเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ดีเองเขาต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเขาเองถ้าก็ยังไม่เห็นโทษในเขาก็ยังจะคิดว่าเขาดีอยู่อก็เราบอกกันไปแล้วแล้วก็ทําหน้าที่ของเราไปแล้วเขาจะฟังไม่ฟังก็ช่วยไม่ได้นะ อย่าไปบอกบ่อยๆเนี่ยเขาจะโกรธเราเนียต้องดูว่าเขารับได้หรือเปล่าถ้ารับไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาเขาลกันเขาพูดกับเขาบ่อยๆเป็นการไรเาเไม่ค่อยรับฟังเท่าไหร่ใช่เขา อ, อาจจะถือว่าเขาไม่ต้องฟังใครก็ได้เขาเป็นหัวหน้าต้องสักวันหนึ่งจนเขาไม่มีลูกน้องขอถึงจะรู้ตัวถ้าไม่มีใครอยากจะทางานกับเขาแล้วต่อไปเขาก็จะรู้ตัวเอง ก็ต้องเรียนรู้ของอย่างนี้ต้องเรียนรู้ด้วยประสบะการณ์รู้ผิดรู้ถูกที mm ่ hmm. จะเรียนหรือเปล่าท่านี้งบางคนไม่สนใจไม่ไม่ไมค่อยศึกษาว่าเราทําไมถึงเป็นอย่างนี้ mm hmm. ถ้าไม่สนใจก็ไม่มีวันรู้ทำได้เท่าไหร่ก็ทําผิดเป็นไปเรื่อยๆ mm hmm. ก็ช่วยไม่ได้ mm hmm. มีเข้ามาไหมอ่า โยมเห็นผู้ที่ปฏิบัติส่วนมากที่โยมรู้จักไปกราบอนาะจารย์อง์ต่างๆมามากเขาบอกเพื่อเอาบุญเราจําเป็นต้องทําแบบนั้นไหมคะแล้วจริงๆที่ไปกราบเพื่ออะไรเจ้าคะความจริงไปกราบพระจริงๆนี้เป้าหมายก็คือไปฟังธรรมไปเอาธรรมะเท่านั้นบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาก็คือธรรมใต้ปัญญาอื พี่ถ้าไปกราบเฉยๆไม่ฟังที่ท่านพูดท่านสอนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกราบที่บ้านก็ได้กราบรูปท่านก็ได้เหมือนกันกราบก็ได้ความเคารพท่านได้ได้สัมาคารวะได้ความอ่อนน้อมถ่อมตนเอแต่ไม่ได้ปัญญาะถ้าอยากจะได้ปัญญาต้องรอให้ท่านฟังท่านเทศท่านสอนเราถึงจะได้ได้การเข้าหาพระนี่ไปหาเพื่อเอาปัญญา อย่างเช่นสมมุติถ้าตอนนี้ยังมีพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยแต่ถ้าเราไปกราบพระพุทธเจ้าเพียงแต่ไปกราบเสร็จแล้วก็กลับบ้านอางนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการไปกราบพระพุทธเจ้าการไปกราบพระพุทธเจ้าก็ต้องนั่งรอให้พระพุทธเจ้าพูดกับเราสอนเราก่อน ห, หัวหน้าเราเนี่ยไม่ยอมฟังใครเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไห ม, ไหมเราไปหาพระพุทธเจ้าเราก็ไปเพื่อที่จะได้ฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเรารอให้ท่านพูดให้ท่านเทศให้ท่านแสดงธรรมเราอาจจะบรรลุธรรมขึ้นมาก็ได้เรากําลังทุกกับเรื่องนั้นเรื่องนี้พราะพระพุทเจ้าสอนปับเราก็อาจจะปล่อยได้หายทุกข์ได้อยอ่างนี้คือเป้าหมายที่แท้จริงของการเข้าหาพระหาครูบาอาจารย์ก็คือครับไปศึกษาธรรมะจากท่านตถามสักคุณความใหญ่ เวลานั่งสมาธิภาวนาพุดโธตั้งใจจะระลึกคุดโทแต่ใจลึกๆเหมือนฮั่งเพลงตลอดผมบอกตัวเองว่ารู้รู้ก็กลับมาระลึกคุดโทพุดโ ธ, โธบางทีก็หงุดหงิดครับต้องแก้ยังไงบ้างก็ต้องพยายามอดทนหน่อยเพราะว่านิสัยเดิมเราชอบร้องเพลงอยู่ในใจยินั่ต้องมาแก้นิสัยใหม่ เ้าก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้ถ้าเราอยู่กับพุโทโธไม่ได้ก็เราสวดบทยาวๆไปก็ได้สวดอิติปิโสไปก่อนเพราะว่าบางทีอยู่กับพุโทโธคําเดียวมันมันมันไม่ดูดดื่มใจแต่ถ้าเราต้องสวดนี่มันอาจจะทําให้เราเอ่อมีความดูดดื่มกับการสวดมากกว่าก็ลองสวดอิติปิโสไปหลายๆจบสวดไปจนท่ารู้สึกว่าเบาสบาย เพงหายไปแล้วเราค่อยมาดูงมต่อก็ได้นึกพุทโธต่อก็ได้หมือนไหนะผมมีคำถามว่าคือคือธาตุธาตุทั้งหกนี้เป็นที่สิ้นสุดของคำถามเลยหรือครับคือว่าไม่ต้องหาคำถามในธาตุทั้งหคือถ้าเราเข้าใจธาตุทั้งหกเมืนอคืนทุกอย่างในโลกในจักรวาลนี่มันทํามาจากธาตุทั้งหกนี้คือแ้องรับว่ามีอยู่ไม่ไม่ต้องหาคำถามจากธาตุหกตอไปแล้ว รู้แค่นี้ก็ไม่พอรู้แล้วต้องปล่อยวางให้ได้ตอนนี้เรายังไม่ปล่อยรู้ว่ามันเป็นท่าแต่เรายังไม่ปล่อยไงร่างกายนี่มันเป็นท่าแต่เรายังไม่ปล่อยเราต้องปล่อยให้ได้ก่อนถึงจะหมดอ่ารู้รู้รู้ว่าเป็นงูพิษแต่ยังไปอยู่กับงูพิษอยู่เงี้ยออ่เาต่่วา้องยากเอ่ต้องต้องอย่าไปอยู่กับงูพิษท่าทั้งหกนี่ท่าทั้งหมดนี่มันมันมันไม่มีอะไรเราไปหลงกับมันเองว่ามันเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมา ก็เพชนี่มันมีอะไรถามยิงเนี่ยเพชรก็ก้อนหินดีๆไม่ใช่หรอทำไมย่างกันจะฆ่ากันเนี่ยเนี่ยลองคือวมันก็เป็นแค่ธาตุดินนั่นเองคือว่าในที่สุดก็ทุกทุกอย่างของท่าตุหกก็จะกลับสู่ในสิ่งที่เริ่มต้นหมายคือถ้าคุณยังเห็นทองเป็นคุณยังอยากได้ทองอยู่แสดงคุณยังไม่เห็นมันเป็นธาตุใช่ไห แต่คุณเห็นว่ามันเป็นมันมันเป็นก้อนหินไม่ได้เป็นอะไรอ่าเป็นเหล็กเป็นโลหะแล้วคุณก็ไม่สนใจเนี่คุณแสดงว่าคุณเห็นจริงแต่คุณเห็นภาพยังเห็นว่าเป็นทองอยู่เห็นยังเห็นเป็นเพชรอยู่นี่มันยังุณยังไปติดสมมุติอยู่ถ่ายว่าหลุดเราเราทำใจหลุดจากการสมมุติทางทางการโบราณทุกปีในโลกไดออ่าได้คือว่าเราเรายังไม่หลุดเราเข้าใจเพียงแต่ทางทฤษฎีว่าเออทุกอย่างมันเป็นธาต เนี่ยมีกระถานน้ำํำแต่พอเป็นน้ำเล่านี้วายขึ้นมาขวดละร้อยสองร้อยนี่เหอนแย่งซื้อใหญ่เราจะคือการเรียนธรมะนี่คือเราจะทำยังไงก็ได้ให้ใ ห, ให้ติดเราไว่ยทุกอย่างเข้าใจอไม่ไปยึดไปติดไม่ไปอยากได้อะไรทั้งหมดในโลกนี้ถ้ายังอยากพ็แสดงว่า ย, ยังไม่ปล่อยเน้นดูที่ตัวอย่ากเนี่ยพระเจ้หวายดูตัวอยากสามตัวเนี่ยอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่หรือเปล่า อยากมีอยากเป็นอยู่หรือเปล่าหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นหรือเปล่ามีสามตัวเนี่ยดูถ้าถ้ามีก็แสดงว่ายังไม่เห็นว่ามันเป็นธาตุคือผมถุกเรียนมาฝึกมาเพื่ อ, เ พ, อเพื่อเพื่อเซฟคุณพลีโดยเฉพาะเวลาเวลาผมไป อ, ออกเนิ่ง แว่าเวลามันเกาะนึกเวลามันปล่อยมันคิดว่ามันก็น่าจะปล่อยยากเพราะว่าการวางงานที่ผมเห็นเนี่ยมันมันง่ายมากในการหวางงามหมดซึ่งทําให้การการปล่อย <c oughs> วางงานทุกสิ่งมันก็ต้องมีกระบวนการที่ว่าค่อยงลึกเออราคิดว่าเราต้องมาทําหลายวันเออวิธีปล่อยก็ต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันไม่เที่ยมมันไม่ใช่ของเราอ ทายสามตัวนี้เรานปล่อยได้นะถ้ายังไงก็เป็นของเราอยู่ก็ปล่อยไม่ได้แต่เห็นว่ายังเป็นสุกอยู่ก็ไม่ปล่อยถ้ายังเห็นว่ามันเที่ยงอยู่มันจะไม่จากเราเงินจะไม่เปลี่ยนนี่เราก็ยังทิ้งมันไม่ได้หมดแล้งยังมีอีกอะคำถามสุดท้ายแล้ววันนี้พอแล้วคำถามจะคืนสู่นี้ สรวจมลก็ตรวจตรวจไหนบ้างคะตรวจไหนก็ได้ที่เราอยากจะสวดเราชอบสวดการสวดก็เพื่อให้เราหยุดคิดนั่นเองเพื่อเราจะได้สงบใจแล้วได้สงบเพราะถ้าเราไม่สวจเดี๋ยวเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็วุ่นวายใจพอเรามาสวดแล้วเราก็จะเลิมเรื่องต่างๆไปชั่วคราวใจเราก็จะสบายต่อไปเวลาเราไม่สบายใจเราก็สวดใช้การสรวดบนแก้ความไม่สบายใจไปก่อน หมดแล้วใช่ไหมอันนั้นนะอันนี้พอสมควรแต่เวลาหลายรอบแล้วก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพพลนิสเพจนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่าน